ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาสิงด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมเพราะมีความเชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหลายในโลกนี้เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถให้ความสุขที่ถาวรกับเราได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดับความทุกข์ของพวกเราได้อย่างถาวรมีแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นที่สามารถจะ ถ้าเราไม่เข้าหาพระพุทธศาสนาไม่เข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะเป็นเหมือนคนตาบอดที่เดินไปไหนมาไหนแล้วก็ต้องไปประสบกับเคราะหกรรมต่างๆประสบกับความเดือดร้อนประสบกับปัญหาต่างๆ คนตาบอดไม่เหมือนคนตาดีคนตาดีเวลาเดินไปไหนก็จะเดินไปได้อย่างปลอดภัยแต่คนตาบอดนี้เดินไปก็อาจจะเดินไปตกลุมตกบอ่อเดินไปชนเสาชนกำแพงเดินไปให้ถูกล้อยนชนตายได้แต่ถ้ามีคนนำทางหรือมีตา ก็จะสามารถเดินไปไหนมาไหนได้อย่างปลอดภัยพวกเราที่ยังไม่ได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาหรือผู้ที่ยังไม่เคยพบกับพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนคนตาบอดที่เดินไปไหนมาไหนตามลำพังแล้วก็ต้องไปเจอกับความทุกข์ต่างๆอย่างไม่รู้จักจบจากสิน้นแต่ถ้า มีพระพุทธศาสนานำทางก็จะสามารถเดินไปไหนมาไหนได้อย่างปลอดภัยคือถ้ามีคนตาดีนำทางก็จะเดินไปไหนมาไหนได้อย่างปลอดภัยใจของพวกเราก็เป็นเหมือนกับคนที่ตาบอดนี่เองเรายังไม่รู้ว่าความสุขที่ถาวรอยู่ตรงไหนเรายังไม่รู้ว่าการดับทุกข์ได้อย่างถาวรนี้ อยู่ตรงไหนเราจึงไม่สามารถที่จะอยู่เหลือความทุกข์ต่างๆได้เราไม่สามารถมีความสุขไปได้ตลอดเวลาชีวิตของเราจะต้องสลับไปกับการมีความสุขและกับการมีความทุกข์ส่วนใหญ่ความสุขนี้จะไม่มีมากเท่ากับความทุกข์ จะไม่มีความรุนแรงเท่ากับความทุกข์ความสุขเรามีได้สักระยะหนึ่งแล้วก็หายไปพอความทุกข์เกิดขึ้นมาเราก็แทบจะเลือดตากระเด็นแทบจะไม่อยากจะอยู่ต่อไปเพราะอำนาจของความทุกข์นั้นมันมีอานาจมากกว่าความสุขความสุขที่เรามีอยู่ที่เราเคยได้รับไม่สามารถที่จะมาต้าน มาดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นตามมาได้นอกจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาต่อไปได้และสามารถรักษาความสุขให้อยู่กับเราไปได้อย่างถาวรจึงถือว่าเป็น บุญเป็นวาสนาของพวกเราที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะการปรากฏของพระพุทธศาสนาแต่ละครั้งนี้ไม่ใช่เป็นของง่ายจะชใช้เวลามากพอสมควรเวลาเป็นกับคำว่ากับนี้หมายถึงเวลาที่เราไม่สามารถนับได้มันยาวนานมากนานกว่าเวลา ลอยล้านแสนล้านปีนานๆถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏให้โลกได้กราบไหว้บูชาได้อาศัยได้ยึดเหนี่ยวเป็นสรณะเป็นที่พึ่งสักครั้งหนึ่งการมาเกิดของเราในชาตินี้จึงถือว่าเป็นเหมือนกับการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นของง่าย คนที่ถูกวัตตอร์ลี่รางวัลที่หนึ่งนี้เป็นหนึ่งในล้านคนเท่านั้นที่จะถูกได้พวกเราก็เหมือนกันเป็นหนึ่งในล้านล้านของสัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้และได้พบกับพระพุทธศาสนาทำให้เรามีโอกาส ที่จะพบกับความสุขที่แท้จริงมีโอกาสที่จะดับความทุกข์ที่ถาวรได้ถ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีโอกาสไม่มีทางเลยเพราะพวกเรานั้นไม่มีสติปัญญาพอที่จะพบกับความสุขที่ถาวรและ ความดับทุกข์ที่ถาวรได้นอกจากพระโพธิสัตว์ที่ได้บําเพ็ญบุญบา ร, รมีมาอย่างโชคชนเช่นพระพุทธเจ้าของพวกเราที่ก่อนที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องบําเพ็ญบุญบา ร, รมีต่างๆเป็นเวลาหลายกับหลายกันด้วยกันจนกว่าบุญบา ร, รมีนั้นจะมีพร้อมที่จะ ทำให้พระ อ, องค์สามารถมองเห็นความสุขที่แท้จริงได้สามารถรู้จักวิธีที่ดับทุกขอย่างถาวรได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วมาประกาศพระธรรมคําสอนให้แก่สัตว์โลกพวกเราทั้งหลายจะไม่มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวรเลยพวกเราก็ เป็นอย่างนี้มานับเวลาไม่ท่วนแล้วเป็นเวลายาวนานมากท่านแสดงไว้ว่าภพชาติของพวกเรานี้มีมากจนนับไม่ท่วนแต่สามารถเปรียบเทียบได้ว่าในแต่ละภพแต่ละชาติที่พวกเราต้องพบกับความทุกข์แล้วต้องร้องไห้หลั่งน้ําตานี้ถ้าเราสะสมน้ําตาที่เราได้หลั่งไว้ ในแต่ละภพแต่ละชาติน้ำตาที่เราหลั่งนั้นจะมีมากกว่าน้าในมหาสมุทร <Yeah. S 1> คิดดูก็แล้วกันว่าเราจะต้องเกิดมาร้องไห้กี่ชาติด้วยกันถึงจะทำให้น้ำตานี้มีมากกว่าน้ำในมหาสมุทร <Yeah. S 1> นั่นแหละคือความทุกข์ที่พวกเราทั้งหลายได้ประสบได้พบมาแล้วในอดีต และจะต้องพบต่อไปในอนาคตไม่มีวันหมดสิ้นถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาดังนั้นเมื่อเราได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วเราจึงไม่ควรปล่อยโอกาสที่วิเศษที่ดีนี้ให้หลุดมือไปถึงแม้ว่าจะได้พบแต่ถ้าเราไม่ศึกษา คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาคำสอนนั้นมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอย่างอย่างอย่างอดทนอย่างไม่ท้อถอยเราก็จะไม่สามารถที่จะพบกับความสุขที่แท้จริงและความดับทุกข์ที่แท้จริงได้ดังนั้นเมื่อเราได้มาเกิดในแดนของพระพุทธศาสนาแล้ว เราจึงควรทุ่มเทเวลาของเราที่ว่างอยู่จากภารกิจการงานอย่างอื่นจึงอยู่ชีวิตของพวกเรานั้นมีความจำเป็นที่จะต้องทำมาหากินเพื่อดูแลอัตภาพชีวิตของพวกเราแต่เราไม่ต้องทุ่มเทเวลาทั้งหมดกับการหาปัจจัยสี่เพื่อมาดูแลรักษาร่างกายชีวิตของเรา เพราะว่าร่างกายของเราชีวิตของเรานั้นไม่ต้องการอะไรมากเลยพอมีอาหารได้รับประทานไปวันละมื้อสองมื้อก็อยู่ได้แล้วมีที่หลบแดดหลบฝนหลบภัยก็พอแล้วมีเสื้อผ้าใส่สักสองสามชุดก็พอแล้วมียารักษาโรคตามอัตภาพก็พอแล้ว ไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเวลากับการหาปัจจัยสี่ให้มากเกินความจำเป็นมีบ้านราคาร้อยล้านกับมีบ้านราคาแสนหนึ่งก็สามารถที่จะอยู่ได้และปลอดภัยจากภัยต่างๆได้จึงไม่ควรที่จะไปหลงกับการ หาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเพื่อมาซื้อปัจจัยสีที่มีราคาแพงๆไม่เกิดประโยชน์อะไรคนที่มีบ้านอยู่ร้อยล้านกับคนที่อยู่บ้านหนึ่งแสนนั้นก็ไม่แตกต่างกันปลอดภัยเหมือนกันเวลาฝนตกก็ไม่เดือดร้อนเวลามีความร้อนก็มีที่ล่มไว้หลแบแดดได้ จึงไม่ควรที่จะหลงกับการสร้างการหาปัจจัยสี่ที่ฟุ่มเฟือยขอให้เราใช้หลักของความจําเป็นความพอดีความจําเป็นมีเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีถ้าน้อยไปเวลาบ้านหลังคารั่ว ก็ไม่ยอมซ่อมอย่างนี้ก็ไม่ได้ถ้าหลังคารั่วฝนตกแล้วทำให้บ้านเปียกก็ต้องซ่อมหลังคาอย่าไปเสียดายกับเงินทองถ้าใช้กับสิ่งที่จำเป็นถ้าเราใช้ใช้ใช้เงินแบบนี้เราจะไม่ต้องเสียเวลามากกับการหาเงินหาทองจะทำให้เรามีเวลาที่จะได้มา ศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีเวลาที่จะปฏิบัติเพราะการศึกษาเพียงอย่างเดียวนี้ยังไม่พอยังต้องนำเอาไปปฏิบัติถึงจะได้ผลที่เราปรารถนากันดังนั้นขอให้เราจงกำหนดเวล่เวลาให้ถูกต้อง อย่าปล่อยให้อำนาจของความหลงคอยหอกให้เราไปแสวงหาสิ่งที่ไม่จำเป็นทำให้เราเสียเวลาอันมีค่านี้ต่อไปเราจะไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติพอเราตายไปแล้วเราก็จะไม่ได้มีอะไรติดตัวไปที่มีคุณค่ากับเราคะ เราก็จะเสียโอกาสอันดีไปแล้วเมื่อกลับมาเกิดใหม่ในคราวหน้าก็ไม่รู้ว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกหรือไม่เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะเมื่อตายไปแล้วเรายัางต้องไปใช้บาปใช้บุญตามบุญตามบาปที่เราได้ทำเอาไว้ ทั้งในชาตินี้และในชาติก่อนๆที่ยังไม่ได้ส่งผลเราอาจจะไม่ได้กลับมาเกิดอีกหลายร้อยหลายพันปีก็ได้และเมื่อกลับมาเกิดคราวหน้าก็อาจจะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกก็เป็นเหมือนกับเป็นคนตาบอดไม่มีคนนำทางเราก็จะต้องเดินไปชนกับความทุกข์ ชนกับความวุ่นวายยังไม่รู้จักจบจากสิ้นตายไปกลับมาเกิดใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้ไปอีกงานแสนานานเพราะยังไม่รู้ว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอีกเมื่อไหร่นั่นเองยังต้องถือว่าชาตินี้เป็นชาติที่มีค่ามาหาศาลเป็นโอกาสที่ดีเลิศที่สุดที่เราควรจะรีบ ช่วยโอกาสตักตัวประโยชน์จากพระพุทธศาสนาด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติตอนต้นก็ขอให้เราขยันศึกษาหาความรู้ของพระพุทธศาสนาอย่าขี้เกียจเพราะว่าความขี้เกียดนี้จะไม่ได้ช่วยเราแต่จะทําลายเราจะเป็นตัวที่จะฉุดลาก หรือดึงเราไม่ให้เจริญก้าวหน้าเราต้องขยันศึกษามันฟังเทศฟังธรรมแล้วเมื่อเราฟังแล้วไม่เข้าใจก็ควรเข้าหาผู้ที่รู้เข้าหาพระสงฆ์องค์เจ้าหรือเพื่อนที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันผู้ที่มีความรู้มากกว่าเราควรจะถามเขาเพื่อให้เกิดความแน่ใจ เพื่อให้รู้ว่าความถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรเพราะถ้าเราปฏิบัติโดยที่ไม่ได้ความรู้ที่ถูกต้องไปก็เหมือนกับคนที่ได้รับการบอกทางที่ผิดไปแานที่เราจะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปก็จะไปไม่ถึง การศึกษาจนเป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่าไปคิดว่าไม่ต้องศึกษาแล้วปฏิบัติเลยเพราะว่าถ้าปฏิบัติเลยนี้เรามักจะหลงทางกันแล้วก็จะเกิดโทษมากกว่าเกิดคุณเกิดประโยชน์อย่างนั้นพระพุทธเจ้าถึงทรงสอนให้พวกเราศึกษาก่อนศึกษาแล้วเราค่อยนำเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนี้ ไปปฏิบัติต่อไปสิ่งที่เราต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนี้ก็มีสมหัวข้อใหญ่ๆคือหนึ่งให้ทำบุญ 2. ให้ละบาป 3. ให้ชำระใจให้สะอาดอะไรที่ทำให้ใจไม่สะอาดก็คือกิเลส ต, ตัณหาความโลภความอยากต่างๆความโลภความโกรธความหลง ความอยากต่างๆนี่แหละเป็นขยะของใจเป็นเหตุที่ทำให้ใจมีความทุกข์ความเศร้าหมองและทำให้ไปเกิดในภพต่างๆส่วนการทำบุญนี้ก็เพื่อที่จะทำให้ใจมีความสุขในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และถ้ายังไม่สามารถที่จะชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ เวลาตายไปไปเกิดใหม่ก็จะได้ได้ไปเกิดจะได้ไปเกิดพบชาติที่ดีกว่าเดิมเวลามาเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเดิมที่เคยเป็นอยู่ส่วนการละบาปก็เพื่อป้องกันไม่ให้มีความทุกข์เกิดขึ้นมาภายในใจในขณะที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ป้องกันไม่ให้ต้องไปใช้บาปใช้กรรมในอบาย เช่นไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างนี่คือผลที่เกิดจากการทําบาปถ้าเราไม่ทําบาปเราก็ต้องเราก็ไม่ต้องไปใช้ผลไปรับผลของการทําบาปในอบายตายไปเราก็จะไปได้รับผลบุญเลยเราได้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆแล้วเมื่อ เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะมาทำบุญต่อเพราะเรามีบุญเก่าคอยผลักดันให้เรามาทำบุญการกระทำของเรานี้จะติดเป็นนิสัยไปถ้าเราทำบุญเราก็จะชอบทำบุญถ้าเราทำบาปเราก็จะชอบทำบาปแต่ถ้าเรารู้ว่าการกระทาบาปนี้ไม่ดี เราก็สามารถเลิกได้ด้วยการฝืนนิสัยของเราเช่นเวลาที่เราอยากจะพูดปดเราก็ต้องบอกตัวเราเองว่าเป็นบาปเราอย่าพูดปดพยายามห้ามใจไว้อย่าไปพูดถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดอะไรก็ได้หรือก็บอกเขาว่าไม่ขอตอบคำถามนี้ ไม่ขอพูดเรื่องนี้อย่างนี้ก็ไม่เป็นบาปแต่อย่างใดแต่ไปพูดปดแล้วก็จะเป็นบาปขึ้นมาเช่นเดียวกับการกระทำอย่างอื่นที่ไม่ดีเช่นการดื่มสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนหรือการกระทำอะไรต่างๆที่ไม่ดีเช่นความเกลียดคร้านอย่างนี้ เวลาที่เรามีความรู้สึกอยากจะทำสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องฝืนต้องห้ามใจของเราตอนฝืนใหม่ๆก็จะรู้สึกว่ายากแต่ถ้าเราฝืนไปได้เรื่อยแล้วต่อไปก็จะง่ายแล้วต่อไปเราก็จะไม่มีความรู้สึกที่อยากจะทำบาปทำสิ่งที่ไม่ดีอีกต่อไปได้ส่วนการทำบุญก็เช่นเดียวกัน ถ้าเรายังรู้สึกว่าเวลาทำบุญนี้เป็นสิ่งที่ยากเพราะฝืนกับความรู้สึกของเราเราก็ต้องบอกเราว่าการทำบุญนี้เป็นสิ่งที่มีค่ากับจิตใจของเราเป็นเหมือนอาหารของจิตใจของเราเหมือนกับการรับประทานอาหารให้กับร่างกายถึงแม้ว่าเราจะไม่อยากจะรับประทาน แต่เราก็ต้องฝืนรับประทานเพราะเรารู้ว่าการรับประทานนี้ดีกว่าการไม่ได้รับประทานเวลาไม่ได้รับประทานอาหารแล้วเดี๋ยวก็ต้องเกิดอาการหิวขึ้นมาซึ่งไม่มีใครอยากจะหิวกันทุกคนอยากจะมีความอิ่มกันฉันใดใจของเราก็เป็นเหมือนร่างกายที่ต้องมีอาหารหล่อเลี้ยงเช่นเดียวกัน และอาหารของใจนี้ก็เรียกว่าบุญอย่างที่ญาติโยมมาทำกันในวันนี้ก็เป็นการมารับประทานอาหารใจของใจวัดนี้ก็เป็นเหมือนร้านอาหารที่ญาติโยมได้มารับประทานอาหารใจกันอาจจะรู้สึกยากอาจจะรู้สึกลำบากเพราะไหนจะต้องตื่นแต่เช้าไหนจะต้องเดินทางมาไกลไหนจะต้อง ฝืนกับความขี้เกียจเพราะถ้าไม่มาทำบุญตอนนี้ก็ยังอาจจะนอนต่อไปได้อาจจะนอนถึงถึงเที่ยงเลยก็ได้เพราะเมื่อคือนนี้อาจจะออกไปเที่ยวข้างนอกดึกเกินไปแต่ถ้าเราเห็นคุณค่าเห็นความสาคัญของการทำบุญเราก็ต้องฝืนใจเราก็ต้องบังคับใจให้มาทำบุญให้ได้ ให้มารับประทานอาหารใจให้ได้เพราะเมื่อเราได้รับประทานอาหารใจแล้วใจของเราก็จะมีความอิ่มมีความสุขถ้าเราไม่รับประทานใจของเราก็จะมีความหิวความอยากต่างๆอยู่เฉยๆก็ไม่เป็นสุขมีอะไรมากน้อยเพียงไรก็ยังรู้สึกว่าไม่พอมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็ยังหิวอยู่ ทั้งๆ ท, ที่มันมีเกินความจําเป็นอยู่แล้วแต่เนื่องจากใจไม่เคยได้รับอาหารนั่นเองจึงเกิดความหิวกับสิ่งต่างๆไม่รู้จักจบจากสิ้นได้มาเท่าไหร่มากน้อยเพียงไรก็ไม่รู้จักคําว่าอิ่มว่าพอไม่เหมือนกับคนที่ทาบุญเป็นปกติทาบุญเป็นประจำจะไม่ค่อยมีความรู้สึกหิว หรืออยากหรือต้องการอะไรต่างๆนอกจากสิ่งที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นเช่นปัจจัยสีของร่างกายแต่ส่วนเรื่องอื่นนั้นไม่ว่าจะเป็นของฟุ่มเฟือยต่างๆก็ดีหรือการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็ดีจะไม่ค่อยมีความรู้สึกอย่างนั้นถ้าออกไปข้างนอกก็ไปเพราะความจำเป็น ถ้าไปงานเลี้ยงก็ไปเพราะความจําเป็นแต่ไม่ได้ไปเพราะอยากจะไปเหมือนคนที่ไม่ได้ทำบุญคนที่ไม่ทำบุญนี้ถึงแม้ไม่มีงานก็จะต้องออกไปออกไปไปหาอาหารตาหูทางตาหูจมูกเนินกายมาหล่อเลี้ยงความหิวของใจซึ่งแทนที่จะทำให้เกิดความอิ่มเกิดความพอ กับจะทำให้เกิดความหิวเกิดความอยากเพิ่มมากขึ้นไปอีกเพราะมันไม่ใช่เป็นอาหารของใจมันเป็นยาเสพติดของใจนั่นเองคนที่ติดยาเสพติด น, นี้จะต้องทุกขทรมานต่างกับคนที่ไม่ติดยาเสพติดคนที่ไม่ติดยาเสพติดนี้สบายไม่เดือดร้อนไม่มียาเสพก็ไม่เดือดร้อน แต่คนที่ติดยาเสพติดเวลาไม่มียาเสพก็จะทุกข์ทรมานเช่นเดียวกับคนที่ติดอาหารทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นอย่างนั้นเวลาไม่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็จะมีความทุกข์ทรมานใจอยู่บ้านไม่ได้ต้องออกไปนอกบ้านเพื่อไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ หาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่งไม่พอพอกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานก็อยากจะต้องออกไปอีกนี่คือการหลงผิดนั่นเองเพราะว่าไม่ได้ยินได้ฟังคำสอนของ้อพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราทำบุญกันไม่เชื่อว่าการทำบุญนี้มีคุณมีประโยชน์กลับเห็นว่าเป็นการเสียเวลา เป็นการเสียเงินเสียทองไม่ได้อะไรนี่เป็นเพราะว่าเขาไม่เคยดูใจของเขาว่าเป็นอย่างไรนั่นเองเขาไม่เคยเห็นใจที่มีความอิ่มมีความพอว่าเป็นอย่างไรเขาไม่รู้ว่าการทำบุญนี้จะทำให้ใจมีความอิ่มมีความพอได้เขาจึงไม่เชื่อไม่มีศรัทธาที่จะทำบุญ เขาก็เลยต้อง <c oughs> ไปหาอาหารอื่นที่ไม่ใช่เป็นอาหารแต่เป็นยาเสพติดของใจเหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดนี้จะไม่ค่อยรับประทานอาหารเท่าไหร่ถ้าต้องให้เลือกระวังซื้ออาหารมารับประทานกับซื้อยาเสพติดมาเขาจะต้องซื้อยาเสพติดมาอย่างแน่นอนและในที่สุดเขาก็จะต้องตายไป เพราะว่าไม่ได้รับร่างกายไม่ได้รับอาหารได้แต่ยาเสพติดที่เป็นโทษเป็นอันตรายต่อบรรรยาชีวิตของเขาจึงต้องตายก่อนวัยที่สมควรเช่นเดียวกับใจของพวกเราถ้าใจของพวกเราไม่หมั่นทำบุญกันอยู่เรื่อยเราก็จะป้อนแต่ยาพิษป้อนแต่ยาเสพติดให้กับใจของเรา ทำให้ใจของเรานี้มีแต่ความว้าวุ่นขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรก็จะไม่มีความสุขความอิ่มความพอถ้ามีความ <c oughs> สุขก็มีความสุขเพียงเดียวเดียวแล้วไม่นานก็จะต้องเกิดความหิวเกิดความอยากเกิดความต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้อีกเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจะต้องทุกทรมานใจ และจะต้องไปทำบาปทำกรรมต่อไปถ้าไม่สามารถที่จะหาความสุขหรือหาอาหารทางตาหูจมูกนิ้นกายได้ด้วยวิธีที่สุดจรเปก็จะต้องไปทำบาปทำกรรมอย่างที่เราเห็นกันในสังคมปัจจุบันคนทุกวันนี้ทำบาปทำกรรมกรรมกันเป็นเป็นจานวนมาก พอใจของเขาเง้นหิวอยากต้องการอยากต้องการสิ่งต่างๆอยากมีสิ่งต่างๆพอไม่สามารถหามาได้ด้วยวิธีที่สุดจริต ก, ก็ต้องไปทำการทุจริตไปปล้นธนาคารไปลักทรัพย์ไปฆ่าผู้อื่นไปหลอกลวงผู้อื่นไปประพฤติผิดกระเวนีแล้วก็ต้องไปเจอกับผลที่ทำ ต้องถูกเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองจับไปลงโทษแล้วตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายเป็นเพราะว่าไม่รู้จักทาบุญนั่นเองแต่ผู้ที่ทาบุญอย่างสม่าเสมอรับรองได้ว่าใจจะไม่หิวกับอาหารทางตาหูจมูกลิ้นกายมีบ้างแต่ก็จะอยู่ในกรอบของศีลธรรมถ้ายังต้องไปหา ยาเสพติดทางตาหูจมูกลิ้นกายมาเสพก็จะหามาโดยวิธีที่สุดเจริญจะไม่ไปลักทรัพย์จะไม่ไปประพฤติผิดประเวณีจะไม่ไปโกหกหลอกลวงหรือจะไม่ฆ่าจะไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะทำอยู่ในกรอบของศีลธรรมและกฎหมายก็จะอยู่ได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องไปติดคุกติดตารางเพราะว่าไม่ได้ทำผิดกฎหมายไม่ได้ทำบาคนั่นเองนี่คือความสำคัญของการทาบุญยึงขอให้พวกเราพยายามทําบุญกันให้มากการทําบุญนี้ไม่ในหมายความว่าจะต้องมาวัดแต่อย่างเดียวเราทํากับคนอื่นก็ได้ทํากับพ่อแม่ก็ได้ทํากับพ่อแม่นี้ท่านก็บอกว่าเท่ากับทากับพออาาระอรหันต์เลย ทำกับครูบาอาจารย์ก็ได้ทำกับผู้มีพระคุณก็ได้ทำกับพี่กับน้องกับญาติสนิทนิสายหรือทำกับคนที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนหรือทำกับสัตว์เดรัจฉานก็ได้เหล่านี้เป็นบุญทั้งนั้นจะทำให้เรามีความสุขใจมีความอิ่น อ, อกใจแล้วจะทำให้เราไม่ต้องไปหายาเสพติดทางตาหูจมูกยิ่วกายมาเสพ แล้วเราจะได้ไม่ต้องไปทำบาป ท, ทำกรรมนี่คือเรื่องของการทำบุญจะทำให้เรามีจิตใจที่สงบมีความสุขแล้วก็จะทำให้เราสามารถชำระกิเลสด้วยการปฏิบัติธรรมได้ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญาได้ถ้าไรทถ้าใจของเรายังมีความว่าวุ่นขุนมัวกับเรื่องต่างๆ เราจะรู้สึกว่าการนั่งสมาธินี้เป็นสิ่งที่ยากมากการเจริญปัญญานี้เป็นสิ่งที่ยากแต่ถ้าเรามีบุญเราได้ทำบุญจิตใจเรามีความอิ่มพอในระดับหนึ่งมีความสุขในระดับหนึ่งจะทำให้การนั่งสมาธินี้ไม่ยากเย็นอะไรจะทำให้เราสามารถชำระความโลภความโกรธความหลงต่าง ที่มีอยู่ภายในใจของเราให้เบาบางไปและหมดไปได้เมื่อหมดไปแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องมาหลังน้ำตาเหมือนกับที่เราเคยหลังมาในอดีตอีกต่อไปนี่คือคุณค่าของพระพุทธศาสนาที่ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะสามารถทำหรือมอบให้กับเราได้ มีพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นเราพวกเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยให้หลุดมือไปพยายามคว้าให้เข้ามาให้อยู่ในใจของเราให้ได้ด้วยการศึกษาและด้วยการปฏิบัติพออยู่ในใจของเราแล้วถึงแม้ว่าพบหน้าเรากลับมาเกิดใหม่ไม่ได้เจอพระพุทธศาสนานแต่เราจะมีศาสนานที่อยู่ในใจนี้คอยพาเราไปสู่ ความสุดที่ถาวรและความทุกความดับทุกที่ถาวรได้โดยไม่ต้องมีศาสนาภายนอกมาพาเราไปอีกจึงขอให้พวกเราพยายามรีบตักตวงให้มากให้เอาศาสนานี้ฝังไว้ในใจของเราให้ได้เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องการที่จะไปเกิดในภพหน้าชาติหน้าเพื่อไปพบกับศาสนาใหม่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 โดยทั่วหน้าการเธอ